ขึ้นมาปีแต่ละปีละปีนี้ตื่นเต้นกันคุณเราตื่นได้นันก็ไม่สับควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำควมดีนะั่นดีกว่านันตื่นกันไปเลยกินเหล้าเมายาเฮากันสนุกฆ่าฟันตีกันด้วยประการต่าง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 แ้วผูล้ลาก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พวกกระัตมบาดพัฒฐานเราไม่ทำมันจะได้หรือแต่น้อยนีท่านอวยใช้ให้ผ่อนให้โชคให้ลาภมันจะได้ที่ไหนม่นเกียรติยศชื่อเสียงเราทำดีมันจะได้มาจากไหนชื่อเสียง ไม่เห็นมีของใดขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านท่านให้เพื่อไว้ใช้ให้พอพอดีใจเหมือนกันเด็กๆนี่แหละแล้วขนมลอให้หายลองหายกินขนมมาแล้วก็ลองหไ้ไหมก็เท่าเก่านั่นแหละในทางที่ครุฑติเจ้าท่านสอนท่านบอกว่า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 เห็นจริงปัจจุบันนั่นแ่ะเป็นธรรมหาธรรมหาที่ไหนก็ลงปัจจุบันนั่นทีหาธรรมหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันเลยดิที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานก็ลงปัจจุบันนั่นแหละ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 ไม่ใช่ตื่นอย่างชาวบ้านเขาตื่นตื่นเพียงหม่เออเครือแค่หาลืมสุรายาเมาคนมีว่าทมเถียงทะเลาะกันประกาศต่างๆอะ้รมันตื่นภายนอกตื่นในใจเราควรทิบหายไม่ตื่นตัวขงเราตื่นภายนอกคนเป็นไปเพื่อโรกเป็นไปเพื่อไม่น่าทิบหาย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 เรางดเว้นในจากขาดสการทักทาพผู้ผิดในเรื่องต่างตื่นพอเราตื่นตัวรู้ตัวพ่วเราได้พลาดพังมาแล้วเราได้ทำผิดมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมาหนึ่งในชิ้นห้าจึงบอกให้รักษาชิ้นห้าอย่างน้อยที่สุดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาหลักไม่ต้องตื่นมา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 ก็นักได้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาโอ้อยังงี้แคิดสงบอย่างงี้แล้ว น, น้นก็ยังดีพมีปัญญาโูมีสติตัต้งมั่นอยู่แล้วน้อมเกิดวิชาความรู้ในสิน่งต่างคาว่ารู้คำว่าวิชาปัญญานะ่มันรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตอนาคต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 อาเจียวขี่จะมาตะปังกูยันยามาหนังรวยนันวะใครจะรู้จักวันพรุ่งนี้มนเมื่อเมืไรไม่ทราบว่าจะตายให้รีบทำเสียกิจที่ตัวจะต้องพึงทำทำเจียปัดนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เราทำสมาธิแท้ทำภาวนาแท้ทำจิตแน่วแน่เป็น สงบเต็มที่มัน เ, เป็นของเราเราทไาได้เท่าไรก็เป็นของเรามันส่วนวันเวลามันล่วงเลยเป็นั้นทํามันไม่ใช่ล่วงเลยไป่ใ่เฉยวันเวลามันนำเอาชีวิตของเราหมดไปหมดไปมันหมดคลอยหมดไปด้วยกันกับชีวิตร่างกายมันนี่เรียกว่าให้ตื่นด้วยการปรัจจุบัน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 น่อง้อยของธรรมะคือพิจารณาขันให้เป็นขันห้ารูปเสียงเวรรูปพิจารณาสัญญ า, าสังขันดิ ญ, ญาณมีขันห้าธาตุสี่ในพิจารณาอยู่นั่นแหละในเรื่องธาตุสี่นัินนีน้ำไฟลมขันห้าอย่างว่ามาแล้ว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 อันเอาที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้สิพิจารณาอะไรอื่นนอกจากธรรมเรียกว่าโลภุตธ ร, รรมก็ใช่หรือธาตุสี่กันหายานะอเรียกว่าสติประธานสี่สมรประธานสี่สี่ห้าภราหา้าโคตสองเขียนทางคิกรรมมแปดอันนั้นเป็นธรรมะโลกุตธ ร, รรมแท้พิจารณาอยู่ใน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 ผมก็ม่ไดมีใครไปให้หวานก็ไม่มีใครไปมันเปรี้ยวอะไรต่างก็ไม่มีใครไปให้ฝาหรือเผ็ดก็ไ ม, มีใครให้มันไม่เร้ามาจากไหนมันต้อเกิดขึ้นเองของมันลที่สุดแต่เราทำเาของหวานไปใส่เอาน้ตาลไป่มันก็ไม่หวานเท่าของมันไม่หวานอนน่อยเหมือนของมันเอง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 มีอะไวิธีทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้น